การแสวงหาความสุขกับสาเหตุของความสุขพระพุทธเจ้าสอนธรรมเนะียสอนเหตุที่สอนผลสอนเหตุจ้ะสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้ากล่าวถึงเหตุของสิ่งนั้นนี่คือเราลืมกันนะเพราะใ น, นกรรมาฐานว่าเราจึงมันไม่อยากจะเรียกว่าผิดนะแต่มันไม่ถูกทั้งบ้านทั้งเมืองเลยมันแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลยใช่ไหม ไม่แต่ปัหาง่ายๆขราคะซั่งกันทั้งปีทั้งชาติมัแก้กันไม่ถูกเพราะเราไปเอาผลมันนะหวังผลแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเหตุมาจากอะไรไม่แก้ที่เหตุนี่เราก็เหมือนกันถือผู้ศาสนามาคอนชีวิตอะใช่ไหมถามว่าสุขจริงหรือยังไม่มีใครตอบได้ชัดเจนว่าสุขใช่ไหมเพราะเราไม่ได้หาเหตุมันก่อนนะกลไปเอาผลมันถ้าผลมันก็มีแต่่วงกระล่ว ง, ววงะนะแต่เหตุ ผูนะ้ที่เจ้าไม่ได้เอาผลเอาม้ให้เรานะแต่เอาต้นไม้ให้เราเข้าใจไหมเอาเอาต้นของผลนั่นนอะให้เราแล้วให้เรามาเลี้ยงเองเพราะฉะนั้นเองอันนี้คือสิ่งที่เราชาวพุทธเราเป็นอยู่เราต้องเอาผลแต่ว่าไม่รู้จักว่าผลนั้นกินหมดแล้วจะไปทําให้เกิดผลต่อไปได้อย่างไร แต่พุทธเจ้าบอกว่าเอ า, มาเมล็ดอันนี้เหลาต้นอันนี้ไปปลูกนะแล้วผลมันจะออกมาอย่างนี้ถ้าถ้าเรารู้จักปลูกต้นรู้จักปลูกดูแลต้นมันเนี่ยผลนี่ต้องหวังไหมไ ม, มันออกมาเอ ง, องนั่นแต่ถ้าเราได้ผลมาแล้วเราไม่รู้ว่าต้นเป็นอย่างไรแลจะดูแลต้นผลิตผลตรงเนี้ยออกมาได้อย่างไรเนี่ยพอหมดผลนี่แล้วก็คือหมดใช่ไหม ไม่มีอีกต่อไปอันนี้คือคอนเซ็ปที่เราจะต้องเข้าใจก่อนเพราะนั้นเองในวิธีการของพรเทียนก็เช่นเดียวกันท่านจะสอนที่เหตุมันจึงยากไงแต่ถ้าหากว่าเข้าใจได้แล้วเนี่ยผลจะเกิดตละเวลาเหมือนเราปลูกต้นไม้ถ้าปลูกเป็นแล้วใช่ไหมคุณจะเอาผลกินเท่าไหร่ก็ได้กินกินหรือดูการก็ได้อันนี้คือส่วนหนึ่ง หนูจะรู้ได้ไงว่ากินข้าวแล้วข้าวที่เรากินอิ่มแล้วเนี่ยมันจะไปรักษาโรคอะไรได้บ้างเหมือนจะถามอย่างนี้นะ <c oughs> <c oughs> นี่คือคำถอบที่หนูกำลังถามอยู่มันเป็นอย่างนั้นคือไม่ต้องสงสัยว่าสิ่งที่เข้าไปเนี่ยบริโภคเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปรักษาอาหารทั้งหลายเข้ารักษาโรคความหิวใช่ไหม <c oughs> สิ่งที่เป็นธรรมทั้งหลายเนี่ยมันจะเข้าไปรักษาโรคความหิวโหวยทางด้านจิตใจ แต่ให้ต้องถามว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรารู้ได้ไงว่าเป็นสิ่งที่มันถูกต้องที่จะเข้าไปจัดความหิวานจิตใจได้ไม่ได้ถามว่ามันถูกจริกกับเราหรือไม่นะเพราะไม่ได้ถามว่าข้าวนี้ถูกประดิษฐ์ข้าวพระเจ้าหรือไม่ไมนะ่เป็นน่ที่ทุกคนต้องกินนะถ้าหากว่าเราหิวเพราะงั้นเราจ ะ, ะสิ่งที่เราปฏิบัตินเนี่ยถูกต้องหรือไม่ต้องถามอย่างนั้น ไม่ได้ถามว่ามันเข้ากับเราได้หรือไม่แต่เราต้องเอ า, เาตัวเองเข้าหาทำไม่ใช่ให้ทำเข้าหาเรา <c oughs> <c oughs> อันนี้คือหลักของมันนะเอาล่ะการยืนเดินนั่งนอนพรุทธเจ้าสอนไหมหลวงอุ่ยสอนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้เรายืนเดินนั่งนอนตามที่ท่านสอนไหมทำ <c oughs> แต่เราเราไม่ได้เป็นอย่างที่สอนคือเรายืนเดินนั่งนอนอยู่แต่ว่าสาระของการยืนเดินนั่งนอน เราไม่ไม่รู้มีพราหมณ์คนหนึ่งแกสงสัยเรื่องปรมามโลกุตตรธรรมว่านักบัณฑ์ศาสตาทั้งหลายก็ต่างก็ยกย่อ ง, อ ง, องว่าไอโลกุตตรธรรมเนี่ยเป็นสิ่งสูงสุดที่สามารถาบำบัดทุก์ได้ทั้งหมดจะสามารถที่จะไม่ต้องไปทําให้เวียนว่ า, ใายใจเกิดได้อีกเพราะฉะนั้นเขาต้องการอยากจะรู้โลกุตตรธรรมสมัยนั้นเจหน้าที่มันเยอะใช่ไหม เ, เข้าไปถาม ปรากฏว่าจเจ้าระเกดละคนให้คําตอบเรื่องโลกุตระธรรมไม่เหมือนใครสักสำนักเลยในทสุดมีคนแนะว่าไปหาพระสมนักคโดมดีรู้จักคํารู้จักเรื่องกุตระธรรมได้ดีก็ไปหาถามพระเถรพระองค์ผู้ยืนข้าพเจ้าต้องการอยากจะทราบว่าโลกุตตระธรรมเป็นอย่างไรพ้าพเจ้าก็ไม่ได้ตอบทันทีนะท่านก็นั่งนั่งโซฟาแล้วก็ท่านก็ยืนให้ดูแล้วก็ สักพักนก็เดินเดินกลับไปกลับมาสักพักหนึ่งนั้นก็ลงไปนอนนอนก็ลุกขึ้นมาแล้วก็มานั่งแล้วว่าอันนี้แหละคือโลกุตตะละธรรมคิดว่าพัมคนจะเข้าใจมั้ยืนสวัสดิ์พวเาวันจางก็ตรงไห น, นเขาไมาก็ยืนเดนั่งนอนอยู่ทุกวันไม่เห็นว่าเป็นโลกุตตะละธรรมตรงไห น, นใช่ไหมก็ออกมาอย่างนี้เลย พระญาติว่ายังไงดูก่อนพรามณ์ทุกคนมีการยืนนั่งยืนเดินนั่งนอนก็จริงอยู่แต่ว่าเขาเหล่านั้นยืนเดินนั่งนอนด้วยสติสัมปชัญญะหรือไม่เขารู้ไหมว่าเขายืนเดินนั่งนอนอย่างไรเขาลุกอย่างไรเขาเดินอย่างไรเขานอนอย่างไรเขารู้ตัวไหมบุคคลเหล่านั้นรู้ตัวไหมไม่รู้พระเจ้านั่นแหละเรียกว่าไม่รู้โลภุตระธรรมเข้าใจได้ไหมเรื่องนี้ ยมอุ้ยเนี่ยยืนเดินนั่งนอนมาตลอดชีวิตไ <d> ใช่ไหมแต่เคยยืนเดินนั่งนอนอย่างมีตั้งสติวันหนึ่งสักกี่ครั้งนี่คือพระพุทธเจ้าสอนแต่วันนี้ที่เราสอนเราพูดกันเนี่ยเราได้ทาอย่างนั้นไหม <d> ใช่ไหมเราก็ลองทำอย่างนั้น <d> เรายืนยังมีสติเดินยังมีสตินั่งนั่นถามว่าถูกรอไม่ถูกแต่ทำไมมันยังไม่ได้ผลก็เพราะต้นไม้คุณปลูกวันนี้คุณจะให้ผลวันนี้ได้ไม มะม่วงนะสามปีห้าปีเจ็ดปีมันจะออกผลใช่ไหมแต่คุณกําลังปลูกวันนี้คุณเพิ่งเอาเม็ดมาลงวันนี้ <c oughs> กำลังจะถามคํานี้นะเพราะฉะนั้นมันจะต้องดูแลไปเรื่อยๆแต่ว่ามันคงไม่นานเหมือนต้นมะม่วงนั้นหรอกมันคงจะไวกว่านี้หน่อยขึ้นไกวก็ช้ า, ชาขึ้นอยู่กับอะไรพระพุทธเจ้าพบกับพราหิยะทารุจิริยะพริพุทจ้าไม่ถึงสามชั่วโมงบรรลุธรรม ยศส ก, กุะบุตรพบพุทธิย้าเช้าเดียวบรรลุธรรมใช่ไหมองคุลิมานพบพุทธิย้าไม่นานทิ้งดาบบรรลุธรรมแต่พระอนุนอยู่กับพุทธิยายี่สิบ้าพรรษาแม้กรัพ่พุทธิย่าปิานพระอนุนก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมข้อแตกต่างคืออะไรนุ่เจ็ดเกบได้ไหม เราหาคํำตอบดูดีว่าเพ อ, อะไรอยู่บุ้ยนึกออกไหมไม่ออกใช่ไหมขึ้นอยู่กับอะไรกันแน่ความพร้อมมะม่วงกับมะพร้าวเนี่ยมันสุกในอายุเดียวกันไหมมะม่วงสามปีสองปีสามปีมันได้ผลให้สุกใช่แต่มะพร้าวนี้กว่าจะได้ผลกว่าจะแก่ให้เรากินเนี่ยบางทีเจ็ดปีถึงสิบปีใช่ไหม ขึ้นอยู่กับชนิดของบุคคล น, นั้นๆว่ามีความแก่พร้อมทางด้านบารมีธรรมแค่ไหนบางคนต้องการใฝ่รู้สแสวงหาสิ่งนั้นมานานพอมาเจอปั๊บได้คําตอบพวอเลยแต่อีกคนหนึงมาเจอพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้คิดจะแสวงหาคาตอบเรื่องนี้มาอยู่เพื่อที่จะศึกษาเรียนรู้อะไรแต่ว่ายังไม่ได้ต้องการนิพพานหรอกเดีการเรียนรู้ไปเรื่อยๆนี่คนหูต้องการเหลือเกินว่านิพพานไปยังไงใช่ไหมนี่คือความต้องการ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 พอเราทําไปมันไปแล้วผพรั้รู้สึกเออมันไม่ใช่แต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่ผู้เหสอนไม่ได้สอนให้เอาผลแต่สอนให้รู้จักเหตุของผลเพราะฉะนั้นเราที่มาทําทุกวันนี้คือเรามาทําเหตุทั้งวันนะแต่ผลจะเกิดเมื่อไหร่เนี่ยถามว่าสั้นหรือ ย, ยาวหรื อ, ยอยชา้าตอบไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเราต้องการมันจริงหรือเปล่าแล้วสิ่งที่เราต้องการเราทํามันถูกไหมนี่คือเกิดจากความคิด <laughs> ความคิดแต่นอนเกิดที่กายกับใจเนี่ย อันไหนมันเกิดก่อนใครเป็นเหตุของใครนั่นคือเหตุั้งว่าใจอยู่โดดๆได้ไหมแต่กายไม่มีใจเกิดได้ไหมใจไม่มีกายอยู่ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมไม่ได้มันจะต้องรู้ทั้งสองอย่างกายมีพาอใจมีใจมีพ่อกายมีไม่มีกายก็ไม่มีใจไม่มีใจก็ไม่มีกาย กนันดีอาศัยกันนี่พึ่งพากันแต่เป็นใหญ่ก็คือใจยิ่ใหญ่คือใจคือความจริงแล้วเหตุมันมาใกลมันมาลึกแต่ง่ายๆว่ากายกับใจนั้นเป็นเหตุปัจจัยของกันและกันไม่มีใครเกิดก่อนไม่มีใครเกิดหลังนะเกิดพร้อมๆกันนะเพราะมีกายใจจึงมีเพราะมีใจกายเพราะมีกายใจจึงมีเพราะมีใจกา ย, กาย จ, จึงมี ไม่มีกายก็ไม่มีใจไม่มีใจก็ไม่มีกายเพราะนั้นเราจะดูใจงองค์พระเทียนบอกดูกายเห็นจิตดูคิดจะเห็นทาดูกรรมเห็นปรมัตถ์ดูอริสัตถินิพพานหมายถึงว่าดูตัวหนึ่งก็จะเห็นตัวหนึ่งไปในตัวเพราะฉะนั้นเราก็ถามว่าเป้าหมายต้องการคืออะไรยมยวิโตวต้องการการเรียนรู้ใช่ไหมที่ตอบ คุณเกตต้องการอะไรเป้าหมายเห็นไหมระหว่างเราเรียนสึกเดียวกันแต่ว่าการความตั้งใจต้องการต่างกันนะจริงไหเดียวกันคุณอุ้ยต้องการเรียนรู้เฉยๆแต่นี่ต้องการไปไกลว่าต้องการนิพพานเลยนะรู้คือทุกวันนี้ก็ไม่ตองคล้ายของโยมโยคนไม่เหมือนกันแสดงว่ายังไม่มีเป้าหมายแน่นอน เบื่อเต็มที่แล้วอาจารย์เบื่อแล้วแต่ยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะเอาอะไรใช่ไหมเหนื่อยครับคงอยากไม่อยากมาแล้วเลิกทเบื่อเบื่อสังขารโดยเองตรงนี้แหละคือเริ่มต้นของการที่จะไปสู่ความสุขที่แท้จริงมีความเบือ่อเบื่อสิ่งที่เราเป็นอยู่อัจจุบันนี่เช่นกันถ้าไม่เบื่อไม่อยากออกนะพุทธิย่าใจว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารคือกายคือใจนี่แหละ ไม่เท si ี Without ่ยงเป็นทุกข์ไปไหนเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เรามีอยู่นี่แหละมีกายมีใจหน้าเหนื่อยหมันทุกข์ตลอดเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวสุขเรงนั้นทุกข์ไม่เคยจบต้องดูแลต้องเทคแคร์ต้องเอาใจใส่มันไม่รู้ไปจบเมื่อไหร่มื่อคุณก็อยากจะตายไปๆหมดเรื่องหมดราวมันตายไม่ได้เพราะมันเหตุประเจ้ามันยังไม่พร้อมใจให้ตายเดี๋ยวสุกเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวร่างกายแค่ร่างกายสังขานแทนทรมานเลยใช่ไหม ดูแลเอาใจใส่มันก้าวมันขี่มันเยี่ยวก้ามันกินมันอยู่ก้าวมั น, มนมสั่งไม่ไดแ้แล้วแต่มันจะเป็นหน้าเบือ่อแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ยังไม่เกิดปัญญาตัวนี้ก็ยังไม่เบือ่อยังอยากสนุกสนานกับมันอยู่ใช่ไหมแต่คนที่ได้เห็นได้เกิดปัญญาแล้วเนี่ยเขเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาจริงๆแล้วเกิดเรื่องเบื่อน่ายไม่อยากจะกลับมาอีกอันนี้เขาเรียกวคือต้นทางนั่นแปลว่าอาถนิพินตติทุกเคเอมโควิ นั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหกดจดมันเริ่มเบื่อหน่ายเสียก่อนถ้าไม่เบื่อหน่ายร่างกายสังขารที่ใจนี่นะยังยังไม่มีการเรดึงดูดยังจะมีการแสวงหาจุดอื่นไปได้อยู่ทีนี้เมื่อเรารู้สึกเบื่อหน่ายต่อว่ตระสงสารคือการเวียนว่แต่เกิดของไม่ใช่เวียนว่าตาเกิดเกิดแล้วตายไม่ใช่ขณะ น, นี้วันนี้ร่างกายของเราทุกไปกี่ครั้งเนี่ยนับไม่ได้ วันนี้จิตใจของเราคิดไปกี่ครั้งนับไม่ได้เนี่ยคือวันเวียนว่นใใายแต่เกิดประจําวันที่เราไม่สามารถจะรู้ได้ถามว่าเราได้อะไรจากมันก็ไม่ได้แล้วเราทำหมต้องไปดูแลใจใสมันนึ่งหลยคือวิบากขันวิบากกรรมที่เราต้องได้เกิดมาแ้่สมมุติเราต้องเกิดอีกก็ต้องบริหารมันไปอย่นีกไปพบกับเหตุการณ์ต่า ง, างๆใช่ไหมสิ่งที่ต้องเป็นไป ส่งว th ังบางผิดวังบางลูกใจเสียเมียใจอยากสมบัติพลาดผ้าคาแกงเบ็ดบีตีทากันต้องเจอแล้วก็ทุกข์อีกเพราะฉะนั้นการแสวงหาเบื้องต้นที่สุดนี่ท่านบอกให้เข้าใจรูปนามให้ได้ก่อนก็เข้าใจรูปนามแล้วเนี่ยมันจะเห็นอดีตของตัวเองว่าเราทุกข์ขนไหนแล้วถึงจะเบื่อเป็นถ้าเรายังไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นรูปนามไม่เห็นอดีตของตัวเองมันเบื่อไม่เป็นหรอก เมื่อเบื่อไม่เป็นมันก็ยังไม่ขวนขวายที่จะหนีไอ้ความร่า ก, กายสังขารเหมือนกลองไฟเนี่ยเพราะฉะนั้นเแต่ว่าความเบื่อน่นี้จะเกิดขึ้นได้ถ้าเราต้องมาพัฒนาปัญญาเมื่อไดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าอย่างไม่ที่ว่างี้ต้องพัฒนาปัญญาก็คือปัญญานี่เป็นเหตุหรือเป็นผลเป็นผ ล, เ, นผลเหตุของมันคืออะไรอ่าสติ ส, ตสมาธิ เป็นเหตุของปัญญาเพราะนั้นแทนที่เราจะไปเจริญปัญญาก็ปญญาไปเจริญสติมาเจริญสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาปัญญาคือแสงสว่างใช่ไหมเหตุมันก็คือแต่เกียงคือน้ํามันคือหลอดไฟคือไฟฟ้าแสงสว่างเป็ น, ปนผลเพราะฉะนั้นที่เรามาทำเนี่ยเรามาทําเหตุทําให้รู้สึกตัวทําให้จิตตั้งมั่นทําให้อะไรอย่างอนี่คือเหตุของปัญญาในส่วนปัญญานี่มันจะเกิด แจ่มแจ้งเห็นสังขารนี้แล้วเกิดเบื่อในสังขารตัวนี้เมื่อไหร่เนี่ยเราก็ยังกําหนดใจตัวไม่ได้มันถึงพร้อมเมื่อไหร่นะเพราะฉะนั้นเราจึงมาสร้างเหตุเยอะอเมื่อสร้างเหตุมันมากพอแล้วเนี่ยวันหนึ่งมันพบขึ้นมาเหมือนกับเราต้องการที่จะให้ต้นไม้นี้ออกหล อ, ออกผลไม่ใช่ไปเล่งแต่ว่าเราจะต้องมาดูแลมันให้ดีให้น้ําใส่ปุ๋ยคนดินรักษา เ่อแลงมาให้เวียเวียนทุกษาต้นมาให้มันล้มมันตายวันหนึ่งผลมันจะออกแน่นอนมันจะถ้าเราตั้งสติปลูกสติปลูกสมาธินะวันนี้เราต้องดูแลเอาใจใส่ดูแลให้มันเจริญเติบโตผลมันคือปัญญาให้ต้องเกิดแน่นอนเมื่อปัญญานั้นเกิดสิ่งแรกที่เราประจับก็คือเบื่อหนายดูนามันนี้เพราะอะไรเพราะมันไม่มีอะไรที่เรียกว่าสุขได้เลยจริงๆไงใช่ไหม แต่ที่เราคิดว่ามันสุกมันมันเป็นเพียงมายาที่เราสําคัญผิดกินอร่อยได้กินอร่อยก็เรียกว่าสุขเช่ไหได้ดูอะไรเฉยๆก็สุกได้ฟังอะไรเพราะๆก็สุขมันเป็นเพียงมายาการของการกระทบแล้วที่เราอุปท า, านออกไปยึดว่าเออลักษณะนี้เรียกว่าสุขนะออลักษณะนี้ว่าเพราะนะลักษณะเรียกว่าเรียกว่าอร่อยนะเนี่ยเราก็ไปสําคัญตรงนั้นแต่คนริงมันก็คือ ปฏิกิริยาของสังขารที่มันปุงมันแตกใช่ไหมดังนั้นเองเรามาทําเนี่ยเราไม่ได้หวังผลแต่มาทําเหตุให้สมบูรณ์เมื่อทําเหตุสมบูรณ์ผลไม่ต้องหวังมันต้องเกิดแน่นอนส่วนใจช้าทื่ไวขึ้นอยู่ความสมบูรณ์ของเหตุอัง น, นั้นเองเหตุที่เราสะสมมาทีละนิดถ้าหาเรามีสติมีสัมมาญในการเราทําสิ่งนั้นมันสั่งสมเหตุไปเรื่อยๆ แล้วก็ไม่ต้องถามว่ามันจะเต็มเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับเราสั่งสมได้มากน้อยแค่ไหนเหมือนถังที่เรารองน้ามันตกป๊อกๆตลอดเวลามันจะต้เต็มวันใดวันหนึ่งแต่ถ้าเกิดจู่ๆไอ้ที่มันปอกๆมันขาดหายไปเนี่ยหวังเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มเพราะความต่อเนื่องของการหยุดมันหายไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เราจะมานั่งวันละครั้งเดือนละครั้งปีละครั้งแแล้วก็หยุดไป จะกลับมาอีทีไอ้ที่ตกไปก่อนแห้งไปแล้วเ <c oughs> ริต้นหยุดไ่เพราะนั้นทางที่ถูกก็ต้องปล่อยให้มันหยุดเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มหยุดแห่งความรู้สึกตัวที่เรามาเริ่มต้นฝึกวันนี้เนี่ยมโนฯขอว่าวัาวานต่อไปหมดกันก็จบไม่ใช่นะคุณต้องต้องให้มันหยุดต่อไปแต่นี่เพียงเพียงเริ่มต้นเปิดตาน้ามันนี้ แล้วก็หยุดต่อไปหมายความว่ากุจะกินจะดื่มจะพูดจะคิดก็ยังใส่สติลงไปทุกทุกหยาดหยดของการเคลื่อนไหวทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเวร์ไม่นานมันก็เต็มนะยิ่งเราเอาใจใส่ต่อมันมากต่อการเคลื่อนไหวมากมันก็เต็มเหมือนน้ำเมันหยดแรงๆไหลโจกๆอะไรใช่ไหมมันก็เต็มไว้นี่คือความเป็นเหตุเป็นผลของมันโดยที่ไม่ต้องหวังเลย แล้วเราก็มีบุคคลตัวอย่างเยอะแยะใช่ไหมที่ทําให้เราเห็นว่าท่านเต็มมาด้วยอาการเหลนแล้วก็มาแบง่งมาปันบอกมาชี้มานําเราให้ทำํำดังนั้นเองในช่วงเวลาทําเนี่ยอามาจึงว่าให้ให้เห็นความสําคัญให้เห็นความสําคัญสิ่งนี้ด้วยตัวเองนะไม่ใช่การชีน้นาด้วยการรุ่นด้วยการโปรโมทหรือ ด, ด้วยการเร่งเราเคนเก่าคนหนึ่งแต่มันเห็นด้วยตัวเองว่าเออสิ่งนี้จําเป็นแล้วก็ค่อย ใส่ความรู้สึกลงไปในแต่ละอย่างอย่างเคารพเลยบูชาจะลูกจะนั่งจะย่างเตือนแต่ละคราวดูเหมือนว่าสิ่งที่เรากำลังทำมีค่ามากนั่นจะไหวมันจะไหวแต่ถ้าทาไปด้วยความไม่แน่ใจอพอรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้เราไปเรื่อยๆอันนี้ไม่แน่เพราะเรายังไม่ชัดเจนดังนั้นเองจุดที่เราขาดหายไปมันใช้คําว่า พุทธคารวตาธรรมคารวตาสังฆคารวตาคือความคารพบในพ ร, ระพุทธประธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระสงฆ์คารุบใครสมมติเราคารบพระพุทธประสงรมแต่พูดธประธรรมสงฆ์คารุบใครคารุบธรรมใช่พระพุทธกับพระสงฆ์คารุบระธรรมธรรมคารวตาคารุบระธรรมพระธรรมอยู่ไหนมสวน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 แต่คนคนนั้นเขาอาจจะไม่บวชไม่อะไรเลยก็ได้แต่เขารู้สึกเห็นประโยชน์แล้วเต็มใจทำแล้วเคารพทำอย่างดีบางคนมีนะใช่ไหมบางคนคือรหัสบางคนนี่เขาให้ความสำคัญเลยเขา้าไปได้ไกลกว่า ไ, ไปได้ไกลกว่าเพราะฉะนั้นเองต่อหลังมาในอมาก็เลยไม่นิยมที่จะเอาคนมาปฏิบัติมาแต่ต้องการคนจริงเพียงไม่กี่คนก็พอละท่านปรมาจะรั้ ง, งเนี่ย ไปสอนที่เมืองจีนท่านได้ลูกศิษย์กี่คนด้วยมคนเดียวแต่ว่าพุทธศาสนาคําสอนท่านสืบมาจนทักปัจจุบันเป็นพันกว่าปีมีลูกศิษย์แค่คนเดียวคือใครพระเจ้านชินกวงแต่ความจริงลูกศิษย์คนเดียวคือหุยขอที่ตัดแขนบูชาท่านนะไปรอท่านสามวันสามคืนท่านยังไม่เปิดให้พบใช่ไหมในที่สุด ขัดแขด็งโดยเองใส่พานไปถวายอาจารย์นเนี่ยเนี่ยผมต้องการพุท่านด้วยศรัทธา น, นี่พิสูจน์เสียเท้าเอยจริงในที่สุดท่านตั้งมัคุยด้วยแล้วก็บอกคำสอนแล้วก็ท่านพูดนี้แหละสืบทอดคำสอนมาแต่ไม่ใช่ชินเจ้าเจ้า อ, อะไรหูจากพัดหู่นะ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 ต้องเขี่ยวยังไถึงได้เห็นน่ะทั้งถ้ามีอยู่อะจะมองว่าเห็นน่ะเหมือนกันนะ่ะในตัวสติมีอยู่ในตัวเราตัวรู้มีอยู่ในตัวาถามว่ามันไปมิกเกิดความรู้สึกที่เป็นเวทนาเราเลยมองมาเห็นสตินี่พอเขาเขี่ยวเราปฏิบัติเข้าไปก็แบบมันมีอยู่ช่วงหนึ่งมันจะเห็นเลยอ๋อสติเป็นอย่างนี้เองแตาเมื่อไรเราอ๋อย่างนี้นะเออแสดงว่าเข้าท่าละ นึกถึงสิ่งเมื่อพูดถึงคําสอนพระุทธเจ้าที่ถูกต้องพูดถึงลูกประธรรมให้ชัดก่อนถ้าไม่ชัดในลูกปธรรมนมามธรรมก็มองเห็นไม่ชัดเหมือนกันเพราะมันเป็นนมามธรรมเพื่อแต่ว่าให้ไปเห็นนามลูกปธรรมให้ชัดมันเปรียนเสมือนไข่ถามว่าในไข่ลูกเนี้ยไข่ใบเนี้ยมีไก่อยู่ไหมยมเขาตีออกมาไม่เห็นเป็นไก่อะ่ะ <c oughs> ไก่มันอยู่ตรงไหนอ่ะมันยังไม่ออกผลอใช่ไหนั่นคือหมายเพราะว่ามันจะต้องผ่านกระบวนการถ้าไข่ตัวนี้ไม่ได้เอาไปอบแม่ไม่กุ๋วไม่ออกมาเป็นไก่ได้ไหมก็มเไป็นไม่ได้ใช่ไ้ยนี่คือกระบวนการความรู้สึก ต, ตัวตัวนี้มีอยู่ก็จริงแต่ถ้าไม่ผ่านการเคี่ยวไม่ผ่านความเพียรมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงที่จะออกมาเป็นตัวสติปัญญาเหมือนไก่อยู่ในไข่ก็จริง ไข่นี้แทาไม่ผ่านกระบวนการการอบกันโกกันมันก็ยังเป็นไข่อยู่นั่นเองไม่เปลี่ยนเป็นไก่กะทิตรงนี้เหมือนกันเพืไม่ผ่านการเคี่ยวกันหูมันก็ยังเป็นกะทิมันกเน่าเป็นกะทิอยู่นั่นเองมันจะไม่เห็นว่าเป็นน้ํามันตรงไหนใช่ไหมแต่พอได้ผ่านกระบวนการเพราะนั้นวิปัสนาลิสติที่เราทำนี่คือกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงของความรู้ที่มันปนกันอยู่เยอะๆเนี่ยให้มันแยกออกมาเป็นส่วนหนึ่งเดียมื่อกี้มันนอับ ใช่มแ บ, บ, แบบแบบทำท่าใจพทท่าจะจับได้ไ <c oughs> แล้วไปแล้วไป <c oughs> แล้วต้องเขี่ยวมันให้เยอะกว่านี้เนอะบางครั้งในกะทินะเนี่ยพอเคี่ยวแน่นอนมันก็เริ่มเห็นน้ำมันแล้วใช่ไมแต่มันยังเป็นไม่หมดเท่านั้นเองเริ่มเห็นน้ำมันก็แป๊บอยู่เห็นใสๆอยู่นะ <c oughs> เป็นมันๆอยู่ใช่ไหมแต่มันยังไม่เยอะเท่านั้นเองเนี่ยเขี่ยวต่อไปเลยน้ามันมันจะหนาขึ้นเรื่อยๆไอ้กะทิก็ล่มหมๆหมดไปใช่ไหมในที่สุดเหลือแต่น้ามันล้วนๆนั่นแหละตัวรู้เหมือนกันนะ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 ถ้าเมื่อไหรม่มนถึงจุดนั้นอันนั้นแหละคือการเริ่มต้นที่จะเห็นธรรม